อ, นะอย่างคนที่แม้พูดไม่จริงเลยเนี่ยนะเป็นพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยนะอะไรจะมูสาเท่ากับมิจฉาทิฐิไม่มีแล้วมิจฉาทิถิเนี่ยเป็นสุดยอดของมุสาพูดไม่จริงอะ่ะความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะไปยืนยันว่ามันจริงเข้าอะ่ะมิจฉาทิถิทั้งหลายกลายเป็นบุคคลที่เป็นสัมมาทิฐิเป็นนักสอเสียดณัยยุยงเนี่ยนะเป็นพวกยุแยงตะแคงรั่วทั้งหลายเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปองก็แก้แก้ไขาบางคนเนี่ยดา่าเป็นนักดา่าร้ายกาเลยนะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรม พระเจ้าเนี่ยนักเราว่าถูกเขาด่าทั้งคืนอย่างเงี้ยถูกเขาด่าทั้ง7ดวันแล้วพงศ์ก็สอนให้พวกที่ด่านั่นแหละบรรลุมรรคผลพวกขี้เหล้าเมายาทั้งหลายนักดื่มทั้งหลายพงศ์ก็สอนให้บรรลุมากมายเนี่ยนะมันคนเหล่านั้นจะเป็นนักโลภ ก, กอบโกยเป็นคนที่ไม่อิ่มด้วยตัณหาเป็นคนที่จองเวรผูกอาฆาตพยาบาทบางคนนะี่ยจองเวรกันมาไม่รู้กี่กับจองเวรกันมาตลอดกับพรงศ์ยังสอนให้พวกมีเวรเนี่ยบรรลุมรรคผลได้ พระอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่แก้ไขบุคคลได้ทุกคนสําหรับคนที่สั่งสมบุญมาหน่อยนะจะอยู่ในเหตุการณ์เหล่าใดก็ช่างเถอะอั้นชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรจะร้ายเกินอ่ะเรียกว่าไม่มีอะไรจะแก้ไขไม่ได้ถ้าใจเรายังระลึกถึงพระพุทธคุณเพราะพระองค์จะแก้ไขให้เราแต่อย่าลืมนะไม่ใช่เรียกชื่อพระพุทธเจา้าพระองคเ์เรียกชื่อพระองค์พระองค์ก็แก้ให้เรามาได้หรอกเนี่ยนะถ้าถ้าเรียกว่า หรือมาตั้งชื่อเร า, าเป็นชื่อแบบนั้นอีกก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวไปในคนของพระพุทธเจ้าวันวิธีเจริญศรัทธาดีที่สุดก็คื อ, เ, อเรื่องพระพุทธเจ้ามาคิดให้มากๆแต่ว่าข้อมูลต้องพอ ศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะตั้งแต่พระปุพั์จริยาคุณพระศรีระคุณอพระพุทธคุณอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะที่เราสมควรเอามาระลึกถึงจะทําให้สติปัญญาเราเพิ่มผูนยิ่งขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มผูนยิ่งขึ้นในที่สุดเราก็ได้ตรัสรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เราก็จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะอะไรเพราะเราพอรู้ตามขอเห็นตามเดินตาม เดินตามแบบไหนเนี่ยคนที่เดินตามนั่นเรียกว่าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะผู้ที่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบุคคลนั้นจะมีพระธรรมเป็นสารณะด้วยผู้ที่มีสารณะถึงพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้าแบบจริงๆและมั่นคงเลยก็คือพระอริยสาวกผู้ที่เห็นธรรมตามที่พระองค์บอกอย่างมั่นคงแท้จริงก็คือ พระอริยาสาวกพ้ะเราจะดาเนินตามปฏิบัติตามเราก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามี่สําคัญที่ว่าเราน้อมจิตตั้งใจเพื่อการรู้ตามเพื่อการเห็นตามไมเนี่ยนะสําคัญมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะน้อมไปเพื่อรู้ะนะเพื่อรู้เพื่อเห็นตามถ้าน้อมไปอย่างนั้นบ่อยๆไอ้การน้อมเนี่ยมีคุณค่ามาหาศาลอริยาสาวกสมัยพุทธกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อว่าการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยเป็นการ เป็นการได้ดีจริงๆเป็นลาบจริงๆระยว่าลาพานุตริยะคือการได้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลาภานุตริยะเป็นทัศนานุตรยะเนี่ยนะได้เห็นถือว่าเป็นทัศนานุตริยะพอเห็นแล้วก็มีศรัทธาศรัทธานั้นเป็นลาพานุตริยะเขาได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดอันนั้นก็เป็นอันนะสาวนานุตริยะฟังแล้วก็มีศรัทธาก็เป็นลาพานุตริยะเห็นแล้วก็มีศรัทธาก็เป็นลาบ ได้ยินและมีศรัทธาก็เป็นลาภคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็เป็นอนุสตาอนุตริยะเป็นการตามระลึกที่ไม่มีการระลึกอื่นจะยิ่งไปกว่าแล้วก็ถ้าทำตามใส่ใจตามเรียนรู้ตามปฏิบัติตามก็เป็นอนุสเป็นอะไรสิกขานุตรยะและถ้าเราจะรับใช้บำรุงเนี่ยนะจะทำเพื่อก็เพื่อพระรัตนตรายก็เป็นปาริจาริยานุตริยะคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่จเจริญเนี่ยนะ พระองค์บอกว่าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกกระปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาาธรรมคืออริยมรรคเพื่อทํำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะศรัทธาเหล่านี้ข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็คือสติปัฏฐานบางคนก็ว่าห่วงว่เออเนี่ยมัวแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะได้เจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานคืออะไรเนี่ยนะ เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าชมมารูปเป็นของเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาไหมคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราก็จะเห็นตามอย่างที่พระรงว่านั่นแหละเนี่ย น, นะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเราจะละบาปเพิ่มขึ้นไหมโอ้ยมันบาปมันดับตั้งแต่คิดถึงพระพุทธเจ้ า, าแล้วเนี่ยนะวิธีการละบาปเนี่ยนะละอกุศลง่ายที่สุดก็คือคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยก็ดับบาปได้บ่อยแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่บ่อยแสดงว่าเราก็ยังเห็นว่าคนอื่นดีกว่าพระพุทธเจ้า Blue ถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังฟุ้งซ่านเลยนะแสดงว่าเราเราต้งว่ามันต้องมีคนอื่นที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังฟุ้งซ่านแล้วก็คิดถึงพอไปคิดถึงบางคนมันหายฟุ้งไงไหมก็แสดงว่าเราเชื่อว่าคนนั้นน่ะดีกว่าพระพุทธเจ้าในความคิดขณะนั้นขณะนั้นนะคือคือว่ากันเป็นขณะขณะวัดกันเป็นขณะจิตเนี่ยนะจะรู้เลยว่าขณะจิตตอนนั้นเนี่ยเขาตกจากสาระเนี่ยนะคือคําว่าตกนี่แปลว่าเสื่อมนะแปลว่าเสื่อม ถึงจะอยู่ใกล้ทางอ่ะแต่ว่ามันตกร่องไปบ้างนะมันเปื่อนหรือไม่เจริญไม่โงอกงามมันเราทํำยังไงใจของเราเนี่ยจะได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าให้เสมอแต่พ่อมาใช้คําว่าพระพุทธเจ้าตลอดเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธะพุทธะตัวนั้นอ่ะเป็นชื่อของอะไรพุทธเจ้าพุทธะพุทธะเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยพุทธะแปลว่าตรัสรู้เนี่ยนะพุทธะเนี่ยแปลว่าการตรัสรู้ พระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทําให้แจ้งตรัสรู้อริยมรดุด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นก็คือการที่เราบอกพระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าก็คือคิดถึงผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นตามรู้ตามเนี่ยนะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ใช้คําว่าระลึกถึงพระพุทธคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าระลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะ ก, กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันไหม นะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่คลอดนะนะถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ที่แสวงหาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันเจ้าชายสิทธัตถะยังเป็นปุตุชนแต่พระพุทธเจ้าเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรยิระอรยะผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วจะปฏเิเสธเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้เป็นโพธิสัตว์ได้ไหมอ่า น, นะก็คืออย่างที่บอกว่าพระราชาคือใครก็คือพยุพ ร, ราชคือราชกุมารเจ้าฟ้าเป็นต้นนั่นแหละในที่สุดก็ได้เป็นเจ้าแผ่นดินฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก่อนนั้นก็เรียกเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่ก็ใช้คําว่าโพธิสัตว์โพธิแปลว่าการตรัสรู้ ก็แปลว่าปัญญาโพธิก็คือการตรัสรู้ทมที่จะให้ตรัสรู้ก็คือโพธิปักยธรรมสัตว์ก็แปลว่าผู้ติดข้องติดข้องต่อการตรัสรู้แปลว่าใจของพระโพธิสัตว์มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องการตรัสรู้ข้องในการตรัสรู้หรือผู้ที่ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้โดยส่วนเดียวเมื่อรู้แล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็น พระพุทธเจ้าแบบรู้แล้วช่วยให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามพิจารณาตามถ้าเราใส่ใจในพุทธคุณบ่อยๆ อ, อย่างนั้นเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยจะช่วยปกปักรักษาเราเนี่ยนะให้พ้นจากอบายทุกติวินิบาตอ น, นะเพราะอะไรเพราะใจที่เป็นศรัทธาเนี่ยจะช่วยให้เราพ้นทุกเนี่ยนะอย่างที่ตอนแรกบอกว่าพระองค์บอกว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาไม่ได้หรอกคือถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะทาอะไรได้เออ ฉลาดขนาดไหนถ้าสแบบว่าแปลได้ครูเก่งนึกเกินเนี่ยนะแต่นักเรียนหูหนวกแล้วไม่อยากรู้ด้วยเนี่ยนะไม่อยากฟังด้วยไม่อยากเห็นด้วยหูหนวกด้วยแล้วก็โง่ด้วยไปได้อะไรนะแต่ถ้าเราเขาบอกพระ อ, องค์บอกว่าถ้าเป็นคนที่มีปัญญาเข้ามาเถอะ เราจะสอนให้ น, นะนะแปลว่าถ้ามีคุณสมบัติเชน่นนัเป็นผู้มีศีลไม่มีมายาไม่โอ้อวดเป็นผู้ที่มีสติมีสุขภาพดีไม่อ า, าพาธเป็นคนที่ซื่อตรงไม่คดโกงเป็นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะมาเถอะเราสอนกลางวันจตรัสตรัสรูกลางคืนสอนกลางคืนบรรลุกลางวันสอนเชาวบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเชา้าแล้วก็บอกว่าบางทีก็นั่งอาสนะเดียวก็ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเพราะถ้ามีคุณสมบัติที่จะ ระสรู้นันพระองค์จึงเป็นครูของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่พราะนั้นเราทําอย่างไรที่จะได้ใจเนี่ยโครจรไปในพระพุทธเจ้าในโลกนี้ความคิดที่เราเราวันวันหนึ่งอตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยนะถามยิงไงความคิดตัวไหนมันพอจะมีสาระมั่งพอที่จะปลื้มใจเอ้วันนี้คิดดีเนี่ยนะโอ้วันนี้แม่เข้าท่าเนี่ยนะตั้งแต่คิดมาตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยมากตําหนิตัวเองคิดอะไรกับหม่รุ่นเนี่ยนะไอตอนคิดนะมันก็ว่าจริงเป็นจริงอ่ะนะ แต่พอเลิกคิดปับ๊บเอ้ยคิดทําไมเป็นต้นโดยทั่วทั่วไปมักจะเป็นอย่างนั้นนั้นก็แสดงว่าเราจเจริญพุทธคุณเนี่ยเจริญด้วยใจไม่ได้เจริญด้วยตาด้วยหูจเจริญด้วยใจทํายังไงใจเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ผู้ที่มีปัญญานั้นสอนอะไรเราบ้างพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้นั้นสอนอะไรบ้างพระองค์ต้องการบอกอะไรเรานั่นคนที่ศึกษาธรรมมาเนี่ยนะถ้าจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากไอ้จะว่ายากายาก็คือไม่อยากจะรู้ตามยิ่งเรียนกก็ยยิ่งา ทำไมเพราะไม่คิดจะรู้ตามอันนี้ยิ่งเรียนก็ยิ่งยากแต่ถ้าเรียนไม่ยากเพราะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ตามมันก็เห็นตามมันก็ค่อยเข้าใจตามแต่ถามว่าลึกซึ้งไหมอันนี้ยังไงก็ลึกซึ้งอยู่แล้วล่ะเชื่อเะแต่ถ้าจริงๆในโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรง่ายนะเขาบถามว่าออกจากวัตตะก็อยู่วัตตะไหนอยู่ยากหรืออยู่ทําง่ายกันเอาเข้ามาเนะี่อยู่ในวัตตะเนี่ยอยู่ยากที่สุดเลยยังไงมันก็อยู่ยากเราคิดดูนะอยเงี้ยอยู่ในวัตตะเนี่ยมันยากขนาดไหน สมมติถ้าเวียนไหวตายเกิดเนี่ยวันเดือนปีมันไม่มีจบมีสิ้นอ่ะอนะมันก็เหมือนอทิตย์อาทิอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์มันก็มีอยู่เท่านี้ตลอดไปเนี่ยนะสมมุติถ้ามันมีอย่างนี้ตลอดไปมันก็มีอะไรมีกลางวันและกลางคืนถ้าไปพูดแบบภาษามนุษย์ทั่วไปเรากินมาละสามมือสามมือนี่มันกินแบบง่า ย, ายไม่ได้เนาะ โอ้ oh, แต่ละมือเนี่ยนะมันต้องเต็มโต๊ะไอแต่ละอย่างเนี่ยแต่ไอ้แต่ละชิ้นเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยเท่ากับสมมุติว่าอาหารหนึ่งถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอามาจากที่เดียวกว่าจะมาปรุงแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยกว่าจะปรุงเสร็จแล้วคุณต้องทานวันละสามมืออ่านะวันละสามมือบางทีเกินกันนั้นอีกอะแล้วปีละกี่มือบริโภคสิบปีแล้วบริโภคชาติเดียวใช่ไหมไม่กี่พบกี่ชาติที่เกิดมาต้องหากินแบบนี้ถ้าเป็นมนุษย์นะเป็นไส้เดือนก็กินแบบไส้เดือนถ้าเป็นอะไร แล้วถามว่าอยู่แล้วมีชีวิตอายุยืนยาวไหมโอ้ยเปื้อนอย่างอื่นอีกมากมายยวั ต, ตะอยู่ยากกับตายเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนที่ออกจากวั ต, ตะคนที่ออกจากวัตฏะเนี่ยนะแค่ศึกษาแค่คิดจะออกนี่ก็เป็นบุญลวปฏิบัติให้ทานเพื่อการออกก็เป็นบุญรักษาศีลเพื่อการออกก็เป็นบุญ น, นะเจริญศรัทธาเจริญอะไรเป็นต้นก็เป็นบุญบุญนี่ยมันยังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นสบายทั้งในขณะที่ทํำและต่ อ, ต, อต่อไปตัวเองก็ไม่ตําหนิตัวเองผู้รู้เป็นต้นก็ไม่ติเตียนแล้วได้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานแล้วยิ่งสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยออกจากวัฏะยังไงก็ดีที่สุดอยู่ในวัฏะอยู่ยากกระตายน่ยนะอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลําบากอยู่เปื้อนปนเออเรียกว่าแปดเปือเป้อน เปื้อนปนไปด้วยชาติชรามรณาโสกกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตต้องไปร้องให้กับทุกเรื่องเนี่ยนะทวารที่เราเห็นเป็นเหตุให้ร้องให้หมดเสียงที่ได้ยินเป็นเหตุให้ร้องให้หมดกลิ่นที่รู้สิ่งที่ไปสิ่งที่รู้สิ่งที่แสวงหาสิ่งที่รักษาเหตุแห่งน้ําตาทั้งหมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าน้ําตามันนํามาอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะบางทีก็นํามาซึ่งเลือดเนื้อชีวิตเป็นต้นด้วยเนี่ยนะมันวัตฏะนี่จริงๆแล้วอยู่ยากมาก แต่เนื่องจากคนไม่รู้ประโยชน์ว่าออกจากวัตตะเนี่ยดีอย่างไรนี้การที่เราจะออกจากวัตตะเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องคิดถึงคนที่เขาประสบความสำเร็จคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการออกจากวัตตะและผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วฉลาดที่สุดในวิธีการออกจาก วัตะแล้วท่านบอกอะไรเราเนี่ยนะเราก็มาใส่ใจแล้วเราจะคิดอะไรเราจะเจริญอะไรเราจะใส่ใจอะไร <c oughs> บางทีผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีเรียนไปเยอะๆเนี่ยเรียนแล้วมันหลงประเด็นเนี่ยนะถามว่าหลงประเด็นเนี่ยคืออะไรอ่านพระไตรปิฎกอ่านไปเยอะแยะบอกว่าไม่รู้จะปฏิบัติอะไรก <c oughs> ็แสดงว่าไม่เข้าใจเลยว่าจเจริญอะไรบางคนก็บอกว่าเขาฟังธรรมมาเยอะแยะตกลงเขาปฏิบัติไม่ถูกเราก็าจะทําอะไร <c oughs> แสดงว่าไม่เข้าใจว่าคุณธรรมที่นําออกจากทุกข์คืออะไร ศรัทธานั่นแหละคือเรียนมาเยอะฟังมาเยอะคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมอันนะปริมาอยู่ตรงนั้นหนึ่งแล้วถามว่าถ้าคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อพระพุทธเจ้าสุดซึ้งเลยมงนัันเะเชื่อพระพุทธเจ้าสุดใจแล้วพระองค์บอกอะไรเราเานพระองค์บอกอะไรเราพระองค์บอกให้เราทำอะไรบ้างแล้วเราคิดจะทาตามจริงไหมมันก็มีอยู่เท่านี้นะ หนึ่งเราเราเชื่อพระองค์ไหมสองเมื่อเชื่อแล้วพระองค์บอกอะไรเราสามแล้วเราคิดจะทำตามไหมบางคนก็บอก อ, อันนั้นก็ให้ทำอันนี้ก็ให้ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าและใจของเราเป็นยังไงอนะ๋ออันนั้นเพรา ะ, ะเราทำเนี่ยไม่ได้ทำรูปทำเสียงทำกลิ่นทำรสแต่สร้างคุณธ ร, รรมที่มีอยู่ในจิตใจสร้างโพธิ ป, ปัธรรมเอาไว้ใน จิตใจเนี่ยนะถ้าเราว่าอู้อันนั่นก็เยอะอันนี้ก็มากเป็นต้นจริงไม่มากหรอกถามใจเราดูเถอะใจเรามันพร่องขนาดไหนเนี่ยนะมองเห็นเหวนะยังพอคิดว่าจะถมเต็มกันง่ายๆแต่ใจของเราเนี่ยเอาอะไรมาถมให้มันเต็มอ่ะทะเลนะคิดว่าจะถมเต็มได้แต่ทะเลใจเนี่ยมันถมยังไงให้เต็มอ่ะใจเนี่ยมันยากยากเพราะอะไรเพราะมีทะเลเป็นเจ้าของทะเลแต่เพียงผู้เดียวมันก็ไม่เต็มเจ้าของแผ่นดินแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่เต็ม กินฟ้ารวบอานาั่นฟ้าเนี่ยนะกี่น่านฟ้าเต็มไหมไม่เต็มตำแหน่งไหนมันจะทําให้ใจเราเต็มไม่เต็มเพราะฉะนั้นเหวี่นี่มันถมเต็มแต่ใจเนี่ยยากที่จะเต็มแล้วถามว่าแล้วธรรมะแล้วจะให้จะให้เอาคุณธรรมเล็กน้อยหรือมาถมใจที่มันเหวขนาดนี้ศรัทธาเล็กน้อยจะถมเหวียนเหวคือใจขนาดนี้ได้หรือเนี่ยนะศีลที่เล็กน้อยเนี่ยนะจะรักษาศีล น, นิดๆหน่อยๆมาถมใจค่ะ ใจที่มันลึกขนาดนี้ได้หรือลึกขนาดไหนหน่อยโอ้ยมันลึกพอที่จะเกิดในโลกาตนะรกก็ได้ลึกพอที่จะเกิดในอเวจีก็ได้ลึกพอที่จะเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานลึกพอที่จะอยู่โลกไอยู่ก้นบาดาลก็ได้ใจของเรามันลึกขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วมีศรัทธาขนาดไหนถมให้มันตื้นมีศีลขนาดไหนถมให้มันตื้นมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาขนาดไหนที่จะถมใจของเราให้มันเตื้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนมาเยอะอดีแล้วจะได้ถมใจของเราให้มันเต็มด้วยศรัทธานะนะ สนธิมใจของเราให้เต็มด้วยวิริยะด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาพันถ้าเราถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระสําคัญว่าทํำยังไงใจของเราจะเต็มด้วยศรัทธาเนี่ยนะมีเยอะคําสอนจะมีมากศรัทธาเราเพิ่มไหมเรียนมาเยอะฟังมามากศรัทธาเราเพิ่มไหมยขยันเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปไหมเห็นกําไรจากการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆก็ยิ่งกว่าพ่อค้าเองทุกอย่างที่พระองค์สอนเนี่ยนะบอกกําไรหมดเลย อันนี้สงของความถึงพร้อมด้วยศีลของผู้มีศีลมีห้าประการคือก็แปลว่ากำไรของการรักษาสินอันนี้สงก็แปลว่ากำไรใช่ไหมอะไรอีกอย่างอื่นอีกอ สารณะนี้แลเกษมปลอดภัยสารณะนี้อุดมสูงสุดคือถึงพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะบุคคลอาศัยสารณะนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ก็บอกว่าบอกว่ากําไรมันคืออะไรจะเป็นคนที่พูดเหตุพูดผลพูดเหตุพูดผลถ้าการเจริญอย่างนี้จะได้รับผลอย่างนี้ทําอย่างนี้จะได้รับอนิสงส์อย่างนี้ศีลเนี่ยถ้าเจริญให้มากจะมีอนิสงส์อย่างนี้สมาธิถ้าทําให้มากมีอนิสงส์อย่างนี้ปัญญาถ้าทําให้มากมีอนิสงส์อย่างนี้พูดแต่กําไรพูดแต่เหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลเนี่ยนะ เพราะแมตแต่สัจจะสี่ก็มีต่เหตุกับผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลของการปฏิบัติคือหมายคําว่าปฏิบัติแล้วจึงจะเข้าถึงนิโรธเนี่ยนะน้อมใจเพื่อตรัสรู้นิโรธเนี่ยนะเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นเหตุมรรคเนี่ยเป็นธรรมะนิโรธเป็นอัตถะเนี่ยนะธรรมะแปลว่าเหตุอัตถะแปลว่าผลเมันการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเจริญแบบผู้ที่รู้เหตุและ รู้ผลเนี่ยนะแม้แต่จะดับดับอะไรดับทุกเนี่ยดับที่ไหนดับที่เหตุเนี่ยนะดับที่เหตุเมื่อจะดับที่เหตุแล้วเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อการดับเหตุอย่างแท้จริงเนี่ยนะดับเหตุคือเหตุให้เกิดทุกเนี่ยนะมียวิชากับภาวะตันหาอวิชาตันหาเนี่ยนะดับด้วยไหนดับด้วยศรัทธา ที่จริงอ่ะจะก็ตันหาีนดับด้วยสมถะสมถะเป็นชื่อของอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นสมถะทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวที่ดับตันหาปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ดับอวิชชาเนี่ยนะแล้วก็แม้กระทั่งมรรคแดเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวดับตันหาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวดับอวิชชา อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปนั่นแหละจึงดับทั้งตัญหาและอวิชชาเนี่ยทั้งควบคู่เป็นสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปจึงจะนําออกจากถูกผลสมถะวิปัสสนาสมถะคืออะไรเนี่ยนะวิปัสสนาคืออะไ ร, นน อ, อ, ะไรอันนั้นแหละการเจริญพุทธคุณจึงเป็นต้นจึงเป็นสมถะคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่เนี่ยนะหายหิวในวัตตะขึ้นอีกเยอะเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่เนี่ยนะเลิกกระหายใน วัตตะรู้สึกว่าใจนี่ยมันเต็มบ้างใจนี้มันรู้สึกอิ่มบ้างใจไม่แห้งแรงบ้างเนี่ยนะก็ก็มันก็รู้จักเต็มรู้จักอิ่มรู้จักพอแต่ก็คิดดูว่าหิวตลอดมีโทษอย่างไรถ้าเต็มอิ่มพอและดีอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็บอกว่าที่เราเจริญเนี่ยเหตุเหตุเป็นอย่างนี้ที่สุด คือผลเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่เผลอว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคุณธรรมที่เราเจริญอยู่ในปัจจุบันน้อมไปเพื่อการตรัสรู้แค่ไหนคิดอย่างไรจึงจะได้ตรัสรู้ตามน้อมไปเพื่อการรู้ตามเห็นตามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็จากที่กล่าวมาวันนี้ก็หวังว่าเราจะได้มีใจโอนไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ มีพระพุทธเจ้านำหน้าไปแล้วก็โอนตามพระองค์ไปพันการน้อมไปโอนไปเอ็นไปตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อย่างที่เรารู้เจตนารม์ปณิธานของพระองค์อยู่แล้วว่าโปรองคข้ามแล้วพระองค์ก็จะช่วยให้เราข้ามได้นะนะโปร่งตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ช่วยให้เราตรัสรู้ด้วยพระองค์สงบทุกสงบกิเลสสงบวัตตะได้แล้วพระองค์ก็ช่วยให้เราสงบด้วยพระองค์ ฝึกพระองค์เสร็จแล้วฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วพระองค์ก็บอกวิธีฝึกให้แก่เราด้วยนั้นพระองค์ปรินิพานแล้วเราก็จะได้ปรินิพานด้วยเนี่ยนะจากคําที่กล่าวพระคุณของพระตัตนาตรัยในวันนี้ก็ขอจงเป็นไปเพื่อให้เราได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประโยชน์อันใดที่พระพุทธเจ้าสแสวงหาเพื่อ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 ทังสถานีวิทยุ1ปน1 0 3 5เวลา7นริกา30นาถึง8นและ21นถึง23นทั้งสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร1 3 8 6เวลา17นาถึง18นสนใจ CD หรือ MP3 ติดต่อดีที่โรงพยาบาลนวนครถนนผลโหลโยธินโทรศัพท์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 สิบปัจวินัยชสุสิทิ์โสุภาสิตาจยาว